ใจที่เราเรียกอีกอย่างว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีวิธีที่หลากหลายนะหรือว่ามีหลายรูปแบบหรือไปคิดว่ามันจะต้องจํากัดอยู่ที่การนั่งหลับตาหรือว่าการเดินจงกรมหรือว่าการยกมือสร้างจังหวะบางอย่างบางวิธีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่มันก็ใช่นะเพราะมันช่วยกล่อมกล่าวอบรมจิตได้ อย่างเช่นการจัดดอกไม้เนี่ยการจัดดอกไม้เนี่ยนะมันก็ช่วยฝึกสติสมาธินะแล้วก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยมีความอ่อนโยนและบางทีอาจจะเกิดปัญญานะเห็นธรรมจากไม้จากดอกจากใบนะที่ตัวเองนำมามาจัดในใจกันก็ได้ โรงเรียนของฉือจี้เนี่ยนะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อมากนะที่เจ้าของคือมูลนิธิเฉือจี้เนี่ยในประเทศไต้หวันเนี่ยฉือจี้นี่ก็เป็นมูลนิธิทางพุทธศาสนานะที่มีชื่อมากนะชั้นเรียนของในโรงเรียนของฉือจี้เนี่ย ตั้งแต่ปอนหนึ่งเลยนะโจวาดาเนี่ยเขาสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักจัดดอกไม้แล้วก็เรียนกันจนกระทั่งถึงระดับมัธยมเลยยิ่งกว่านั้นนะวิทยาลัยพยาบาลหรือหมหาวิทยาลัยแพทย์เนี่ยของจื่อจี้เนี่ยวิชาหนึ่งที่ต้องเรียนนะก็คือจัดดอกไม้นะขนาดนักศึกษาแพทย์เนี่ยยังต้องมาเรียนนะหรือฝึกการจัดดอกไม้ ซึ่งก็นับว่าแปลกมากนะในสายตาของอคนทั่วไปพมเพระมะไม่เห็นมันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาร่างกายเลยแต่จริงๆมันเกี่ยวมากนะเพราะว่ามันเป็นวิธีนะในการกล่อมกล่าวจิตของนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลให้มีความอ่อนโยน ซึ่งสงเหล่านี้มันก็ช่วยเสริมสร้างความเป็นมนุษย์เพราะว่าชิวจี้นี่เขาชูประเด็นเรื่องการแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่ารู้แต่เรื่องกายวิภาครู้แต่เรื่องอวัยวะต่างๆแต่ว่าจิตใจแห้งแล้งหรือว่าไม่เข้าใจถึงเรื่องความสำคัญของจิตใจ ที่สําคัญคือว่าหมอและพยาบาลก็ต้องมีเมตตามีความอ่อนโยนด้วยอันนี้ก็เรียกว่าการจัดออกมานี่ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งนะที่ฝึกใจที่เราเป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้การชงน้ําชานี่ก็ใช่นะเซนเนี่ยนะซึ่งเป็นพุทธศาสนา น, นิกายหนึ่งที่แพร่หลายมากใ น, ในญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อหลายร้อยปีก่อน จวบจนกระทั่งเมื่อ100ร้อยกว่าปีมาเนี้ย ก, ก็ถือว่าการชงน้ำชาเนี่ยนะมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งโดยทำให้ใจเกิดความสงบแล้วกเกิดสมาธิด้วยแล้วก็ฝือให้จิตอยู่กับปัจจุบันเป็นการเจริญสติทำความรู้สึกตัวไม่มีปรัชญายที่ลึกซึ้งนะที่มันซ่อนอยู่ในพิธีชงน้ำชา ไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะทุกวันนี้มันก็มีการฝึกจิตหรือการอบรมใจเนี่ยที่หลากหลายทีหนึ่ง ท, ท, ท, ท, ที่อาจจะดูเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเลยนะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันใช่เลยนั่นคือการ ทำผ้าพิมพ์ลายใบไมนะ้เคยพูดไปแล้วนะการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยดูบนผินมันก็เป็นการเป็นงานศิล ป, ปะนะทำให้ผ้าเนี่ยมันมีความงดงามโดยอาศัยลายของใบไมนะ้เป็นความงามจากธรรมชาติ มันไม่ใช่แค่ลายของใบไม้แต่รวมถึงสีจากใบไม้ด้วยซึ่งก็มีความหลากหลายใบยไม้ที่เราเห็นเนะี่ยหล่นอยู่บนพื้นเนี่ยนะถ้าเอามาทำเป็นงานศิละปะเนี่ยมันก็สวยนะทั้งสีทั้งทั้งลวดลายเนี่ยอย่างที่ เราจะนึกไม่ถึงเลยนะว่าโอ้ใบไม้ธรรมดาธรรมดานี่มันจะให้ลายแล้วก็สีที่งดงามซึ่งมันก็ทำให้คนที่ทำงานแบบนี้เนะี่ยมีจิตใจอ่อนโยนนะรักธรรมชาติแต่ที่สำคัญอย่างนึงนะคือมันฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางด้วยเพราะว่าสีก็ดีลายก็ดีเนี่ย ของใบไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยเราอยากให้มันมีลายแบบนี้สีแบบนั้นแต่ขอข้อจริงเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปดังใจเราได้เียล้วาธรรมชาตินี่เขาไม่อนุญาตให้เราไปควบคุมเขาได้เลยล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามใจของเราได้ มันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรายิ่งคาดหวังนะจะให้มันสีออกมาแบบนี้ลายออกมาแบบนั้นยิ่งเป็นทุกข์นะแต่พอไม่คาดหวังนะให้ธรรมชาติเขาแสดงตัวออกมาเมื่อเกิดนะความสุขความพอใจขึ้น สำหรับคนที่ทํางานแบบนี้มันก็ได้ฝึกนะการปล่อยวางอย่างที่แรกก็อาจจะปล่อยวางไม่คาดหวังจากผลงานที่เกิดขึ้นจากใบไม้นะแต่ต่อไปมันก็ทําให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งอื่นก็เหมือนกันนะจะไปบังคับควบคุมให้เป็นไปดังใจเราก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศต้นไม้ที่ปลูก หรือแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่รอบข้างรวมทั้งงานการนะที่ทํานี่ถ้าเกิดว่าทำเนี่ยแล้วก็ไต่ตรองมันก็เกิดนะการพัฒนานะทางจิตใจเหมือนกันมันมีการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งนะที่หลายคนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้นั่นคือการวิ่งนะ การวิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นกีฬาที่คนนิยมมากนะโดยเฉพาะการวิ่งเนี่ยที่ทำอย่างสม่ำเสมอคนที่ตั้งใจจะวิ่งให้เป็นประจำเนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าโอ้มันต้องใหม่ๆ ม, มันต้องต่อสู้กับความเกียดครั้นในใจรวมทั้งต้องต่อสู้กับ ความอ่อนแอภายในโดยเฉพาะถ้าเกิว่าจะต้องวิ่งระยะทางที่ไม่คุ้นเคยมันทั้งเหนื่อยนะแล้วก็มันต้องใช้การความอดทนมากในการวิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นการวิ่งนะที่ทำอย่างสม่าเสมอแล้ว ก, การวิ่งระยะไกลที่ไม่คุ้นเคยการทำอะไรที่สม่าเสมอเนี่ยนะ มันก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมาต้องใช้ความตั้งใจมากยิ่งเป็นการวิ่งนะเพื่อทําร่างกายให้ฟิตพร้อมนะสําหรับการลงวิ่งระยะไกลเนี่ยอันนี้ยิ่งต้องมันต้องอาศัยการเคี้ยวกรัมนะไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวนะแต่จิตใจของตัวเองด้วยเดีย๋ยวนี้มันก็มีการวิ่งระยะไกลนะที่ จัดขึ้นนะอยู่หลายแห่งหลายที่นะมีทั้งวิ่ง10กิโเมตรมีทั้งวิ่งที่ลรามีนิมาลาทอนวิ่ง20กิโเมตรฮัฟมาลาทอนหรือ ว, วิ่ง42กิโเมตรที่เรามาลาทอนเนี่ยคนที่จะลงวิ่งแบบนี้ได้นี่มันก็ต้องมีการฝึกการซ้อมนะแล้วหลายคนก็ก็ใช้โอกาสแบบนี้เลยนะเป็นการ ฝึกเขี่ยวกล้มตนเองเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยที่มันยากมันลำบากนี่มันต้องมีจุดมุ่งหมายหรือต้องมีเป้าถ้าไม่มีเป้านะวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็เลิกเองแต่พอมีเป้านยะว่าจะต้องลงลงวิ่งนะสิบกิโลเมตรมินะิมาราธอนท้ามาราทอนเนี่ยมันต้องฝึกต้องซ้อมยิ่งเป็นการวิ่งระยะไกลเนี่ยอย่างสี่สิบกิโลเนี่ยนะโหมันต้อง มีการซ้อมอย่างจริงจังซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือการมีวินัยนมันก็ไม่ต่างจากจการปฏิบัติธรรมนะเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่าการนั่งทาสมาธิอนาปานาสติเนี่ยมันต้องอาศัยวินัยเพราะว่าวินัยเนี่ยมันทำให้เกิดความาการทำอย่างต่อเนื่องและสมา่าเสมอ ได้ฟังเรื่องราวได้อ่านเรื่องราวของผู้ที่เขาฟิตซ้อมเนี่ยเพื่อลงวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยเห็นเลยนะว่านี่คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเพราะมันต้องต่อสู้เคี่ยวเข่งกับตัวเองมากนะและบางครั้งนี่ก็ต้องเรียกว่าต้องยอมนะยอมสละความสะดวกสบายบางคนนี่อยากจะนอนตื่นสายแต่นอนไม่ได้ต้องตื่นเช้าขึ้นมา เพื่อที่จะวิ่งเพื่อที่จะซ้อมเพื่อที่จะฝึกให้มีความ อ, อดทนเข้มแข็งและมันไม่ใช่แค่วิ่งกิโลสองกิโลนะถ้าจะวิ่งระยะไกลเนี่ยให้ได้เนี่ยมันก็ต้องวิ่งวันหนึงก็ิกิโลแล้วถ้าหาวิ่งระยะไกลที่ตัวไม่คุ้นเคยเนี่ยเช่นวิ่งเทรลเนี่ยนะรกิโลเงี้ย โอ้มันย่งกว่ามาราธอนนีกนะวิ่งมาราธอนนี่อาจจะวิ่งบนทางราบนะแต่วิ่งเทรลนี่นอกจากระยะทางมันไกลนะกว่ามาราธอนเป็นสองเท่าแล้วบางทีบางช่วงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นเขาขึ้นเขาก็ยากล้วลงเขานี่ก็หนักเหมือนกันไม่พอมานนี้มันต้องอาศัยการซ้อมให้ร่างกายฟนะิตอย่างต่อเ น, นื่องซึ่งหมายความว่าต้องซ้อมกันสี่ห้าเดือนเลยทีเดียวนะ แล้วก็ต้องมีวิ่หน่ยนะต้องวิ่งเงินอาทิตย์ละร้อยกิโลนะบางคนเนี่ยตั้งเป้าเลยนะหรือทําได้ด้วยนะวิ่งร้อยห้าสิกิโลร้อยหกิกิโลต่ออาทิตย์ถ้าไม่พอเสาร์อาทิตย์นี่ต้องวิ่งวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบางทีก็วิ่งห้าชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ซ้อนติดกันเลยเรียกว่าแบ็คทู Back เนี่ยติดติดกันเลย2วันโอเพเียร์ ท, ทำได้เนี่ยนะมันมันต้องใช้ วินยัยเราใจที่ฮึดสู้มากซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเลยเพราะมันต้องต่อสู้กับความอ่อนแอภายในต้องต่อสู้กับกิเลสความเกตียดคร้างแลืวองทีมันมีคำถามนะว่าวิ่งไปทำไมเพราะมันเหนื่อยเหลือเกินบางคนนี่วิ่งตัง้งห6ชั่วโมงและไม่ใช่วิ่งกลางวันนะวิ่ง2อทุ่มถึงตีสามเนี่ย ถ, ถ้าถามว่าวิ่งไปทาไมเนี่ยนะ บาทีมันไ ม, ม่ไม่มีเหตุผลที่จะตอบนะไม่เรียกตอบอยังไงวิ่งไปทำไมเนี่ยสองทุ่มถึงตีสามเนี่ยหรือว่าวิ่งทั้งวันนะตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นทั้งทังที่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นก็ได้ไปเที่ยวเล่นก็ได้หรือว่านั่งดูหนังดูโทรทัศน์ก็ได้เล่นโทรศัพท์หรือว่าไปคุยกับแฟนก็ได้นะแต่แล้วคนก็เลือกที่จะวิ่งนะแบบเนี่ยสี่ห้าชั่วโมง บางทีเจ็ชั่วโมงทั้งวันแล้วพราะว่าเนี่ยถ้าจะวิ่งให้ได้ต่อเนื่องนะมันต้องหยุดถามนะว่าทวิ่งทําไมนะอย่างที่บางคนบอกว่าเนี่ยถามให้น้อยทําให้หนักซึ่งนี้ก็เป็นหลังการปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อคําเขียนนะั่นก็พูดอยูบ่อยๆนะเวลาปฏิบัติธรรมอย่าไปถามว่า ท, ทออําไปทําไมหรือจะไปเอาเหตุผลนะจากการปฏิบัติเพราะถ้าเอาเหตุเอาผลแล้วเนี่ยบางทีมัน นอกจากจะฟุ้งแล้วนะบางทีมันทำให้ไม่อยากจะปฏิบัติมันไม่มีควาว่าทำไมนเะพราะถ้ามีควาว่าทำไมแล้วมันจะเกิดความลังเลใจในการปฏิบัติเพราะว่าทำแล้วก็ยังไม่ค่คยเห็นผลสักทีหรือทำแล้วก็เหนื่อยคนที่วิ่งเนี่ยคนที่ซ้อมวิ่งเนี่ยเพื่อลงนะรอบระยะไกลนี่เขาก็เหมือนกันนะเขาก็พูดคล้ายๆกันเลยนะว่าเนี่ย อย่าไปถามนะว่าวิ่งทําไมเพราะมันมันจะทําให้ท้อไม่ทําให้เลิกง่ายนั้นถามให้น้อยนะแต่ว่าทําให้หนักหรือวิ่งไปเรื่อยๆรื่อเลือดเดี๋ยวมันรู้คําตอบเองนะเพราะว่าผลมันจะค่อยๆแสดงตัวให้เห็นแต่กว่าแต่กว่าผลจะแสดงให้เห็นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะมันต้องเคี่ยวกรมตัวเองมากนะเพราะทําไม่เคี่ยวกรมตัวเองเนี่ยถึงเวลาไปนะ ไปวิ่งเนี่ยระยะไกลแม้จะไม่ได้วิ่งแข่งขันวิ่งก่อนใครวิ่งเอาชนะใครนะแต่ว่าแค่จะวิ่งให้ได้ครบระยะหรือจบถึงเส้นชายเนี่ยถ้าไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมอย่างหนักนี่มันก็ไปไม่ถึงนะงั้นจะวิ่งไปให้ถึงหรือจบนะที่เส้นชายนี่มันก็ต้องซ้อมแต่ซ้อมมากๆนี่มันก็เหนื่อยแต่หลายคนบอกไม่ใช่แค่เหนื่อยอย่างเดียวนะมันเบื่อด้วย วิ่งส5ห้าชั่วโมงเนี่ยมันเบื่อเหนื่อยนี่ยังพอว่านะถ้ามันสนุกแต่ว่าวิ่งไปวิ่งไปเบื่อแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้วิ่งได้นะก็คือไม่ใช่แค่วินัยอย่างเดียวนะมันต้องฝึกใจให้รักสิ่งที่ทำด้วยอย่างมีบางคนบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนนี่ไม่ชอบวิ่งนะแต่ว่า พอวิ่มากๆแล้วเนี่ยร่างกายมันบอกเองนะว่าเนี่ยถ้ามือไม่รักการวิ่งนะมึงวิ่งไม่ไหวหรอกนะร่างกายมันบอกนะมึงต้องรักการวิ่งเนี่ยมึงถึงจะวิ่งไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิ่งนะหลายคนเนี่ยก็คือการทําสิ่งที่ไม่รักนะให้กลายเป็นสิ่งที่รักอันนี้ก็เหมือนการปฏิบัติธรรมในรูปแบบนะปฏิบัติธรรมในรูปแบบเนี่ย ถ้าเราจะทําได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยทำทั้งวันบางทีไปถึงกลางคืนเนี่ยเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยมันต้องมีใจรักนะเรียกว่ามีฉันทะแต่ถามว่าฉันทะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะมีบางคนตอบว่าก็ต้องทํำบ่อยๆทําซ้ําๆนั่นทำก็กลายเป็นงูกินหางนะเราจะทําบ่อยๆทําซ้ําๆได้ก็ต้องมีใจรัก แต่ใจรักจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆมันก็ดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเทลนิดเทเลนิดเนี่ยมันก็จะเกิดใจรักขึ้นมาเองแต่ว่ากว่าถึงทำจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันล้ามันเบื่อมันเซ็งนั้นการปฏิบัติทำก็แบบนี้แหละนะใหม่ๆเนี่ยมันมันไม่ดู มันไม่ชวนให้อยากจะทำเลยหลายคนที่มาเจริญสติเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยนะพบว่าเนี่ยมันเบื่อมากมันอยู่ก็ต้องอยู่กับตัวเองต้องต้อนทนอยู่กับการกระทาที่ซ้าๆแตุ่ดท้ายเนี่ยนะฉันท่า ก, ก็เกิดพอฉันท่ากเกิดแล้วเนี่ยความสุขก็ตามมามีความสุขกับารปฏิบัติแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะ มันเป็นช่วงการซ้อมนะหรือว่าเป็นช่วงที่จะต้องใช้ในการซ้อมซึ่งตัวมาเดเนี่ต้องใช้เวลาหลายเดือนนะกว่าร่างกายจะฟิตซ้อมร่างกายจะฟิตพร้อมนะสำหรับการวิ่งระยะไกลถ้าถึงเวลาวิ่งระยะไกลเนี่ยนะมันยิ่งยากกว่าตอนซ้อมอีกนะหลายคนบอกเนี่ยซ้อมมาเนี่ย ถ, ถือว่าแย่แล้วนะหนักแล้วนะพอลงสนามจริงๆนี่ วิ่ง40กิโลวิ่ง80กิโลวิ่งร0อยกิโลมันจะวิ่งให้จบเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากนะอย่างบางคนเนี่ยวิ่ง3วิ่งร้อยกิโลวิ่งเฉลี่ยรยกิโลเนี่ยก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนวิ่งจะแถ่8ปดโมงเช้านะกว่าจะถึงเส้นชัยนะก็10บโมงของวันรุ่งขึ้นก็คือ26ชั่วโมงในบางคนเนี่ยกว่าจะวิ่งถึงเส้นชัยก็30ชั่วโมง คือไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเพราะถ้าหลับนอนเมื่อไหร่นะมันจะใช้เวลานานกว่าสามสิบชั่วโมงซึ่งเขาก็มีเวลาให้เพียงแค่สาสิบชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าเหนื่อยอยังไงนยะมันก็ต้องต้องเดินนะมันก็ต้องวิ่งถ้าไม่วิ่งก็ต้องเดินแม้งโงอย่างไงก็หยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดนอนเมื่อไหร่ก็ยาวเลยหลายคนรู้สึกว่ามันมันทรมานมากนะ แต่ว่าคนที่ฮึดสู้เนี่ยนะก็มีนะมันนึกดูเนี่ยเออการปฏิบัติรำเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องอย่างเงี้ยนะคือทั้งๆที่ลั่ว่เนี่ยมันไม่ไหวนะแต่มันก็ต้องทําให้ไหวจนได้เขาเรียกว่าต้องพยายามข้ามขีดจํากัดของตัวเองที่จริงการซ้อ ม, มนี่มันก็เป็นการพยายามข้ามขีดจํากัดของตัวเองนะเหมือนกันนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยวิ่งได้ครึ่งกิโลนี่ก็เหนื่อยแล้วแต่พอวิ่งบ่อยๆ่ อ, อ่อยบ่อยเนี่ย ครึ่งกิโลนี่มันสบายแล้วสามารถจะวิ่งได้1กิโลแต่วิ่ง2กิโลก็ยังเหนื่อยนะแต่พอวิ่งบ่อยๆวิ่งบ่อยๆ2กิโลก็วิ่งได้สบายก็ขยายขยายเป็นวิ่ง5กิโลวิ่ง5กิโลนี่เหนื่อยมากเลยเหมือนว่าเกียร์จำกัดมันอยู่ที่5กิโลแต่พอวิ่งไปวิ่งไปบ่อยๆนะมันค้าวเกียร์จำกัดนะก็คือวิ่ง10กิโลก็ได้5กิโลกลายเป็นสบาย ในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะมันก็คือการพยายามข้ามขีดจำกัดตัวเองบางทีเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยโอ๊ยปฏิบัติธรรมสองชั่วโมงน่สันก็แย่แล้วนะแต่พอทำไปทำไปเอ้เราทำได้มากกว่า น, นั้นบางทีเราสามารถที่จะทำความเพี่ยนจนข้ามคืนได้แต่ก่อนเนี่ยโอ๊ยจะเนศรศิกนี่ฉันจะไว้เลนะแต่พอทำไปทำไปเออเราก็ทำได้นะ ทีแรกก็ไม่คยว่าจะทำได้นะลองทำสักให้ถึงเที่ยงคืนก็พอแล้วแต่พอทำไปเออมันไหวนะก็ทำต่อนะถึงตีสองอดทนจนถึงตีสองก็ยังทำได้สุดท้ายก็สามารถเจียพาตัวเองเนี่ยประคองตัวเองเนี่ยไปจนถึงตีสี่ซึ่งอาจจะร่อแร่นะอาจจะเหมือนกับหมดสภาพไปเลยแต่ว่ามันก็ได้นะ ได้เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามตนเองแลหลายคนนะพบว่านะพอทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันได้เห็นตัวเองได้รู้จักตัวเองคนที่วิ่งระยะไกลหลายคนเนี่ยที่จริงแม้กระทั่งในในช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยถ้าเขี่ยกรมตัวเองย่างหนักนี่มันก็จะเห็นตัวเองเห็นด้านที่ตัวเองไม่คิดว่าจะมีนะเช่นความเข้มแข็งใจที่ขึ้นสู้ รวมทั้งเห็นด้านที่อ่อนแอด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยหรือบอ่อยครั้งเนี่ยมันก็งองแงบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่มันมีด้านที่อ่อนแอโผล่มาให้เห็นซึ่งบางทีหลายคนไม่เคยรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ขณะเดียวกันก็เห็นนะว่าเออเรามีความเข้มแข็งเห็นมีความอดทนมีความพึดสู้ อันนี้ก็เหมือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการทำให้เราเห็นตัวเองเห็นนะรู้จักตัวเองในแง่มุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งด้านบวกและด้านลบนะบางทีก็เห็นความไม่ดีของตัวเองที่อิจฉ้าหรือว่าเป็นคนที่มีความโลภเป็นคนที่ชอบนะชอบบนชอบวอยวาย ไอ้ความไม่ดีของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมจานวนมากเนี่ยเขาเริ่มเห็นนะหลายคนก็คิดว่าเนี่ยฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเห็นเสียสละแต่พอมาปฏิบัติธรรมนะี่ยมันเห็นนะความเห็นแก่ตัวที่มันโผล่ขึ้นมานะหรือว่าความอิจฉาความพยาบาทมันโผล่ขึ้นมาบางทีก็อยากจะเอาเปรียบคนอื่น ตรงนี้ก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมนะจะเห็นจนกระทั่งรู้ว่าเอ้เรานี่ก็ไม่ใช่เป็นคนดีเด่นอะไรแต่ในรอเดียกรรมก็เห็นอีกด้านหนึ่งนะนะคือด้านที่เป็นด้านบวกเนะช่นความเพียรพยายามความอดทนหรือว่าการรู้จักปล่อยรู้จักวางรวมทั้งความรู้สึกตัวนะที่มัน เกิดขึ้นให้ได้เห็นได้ประจักษ์คนเราถ้าปฏิบททัติธรรมแล้วเราไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วแล้วอย่างนั้นนะคนที่เขาวิ่งระยะไกลเนี่ยเขาบอกนะหลังจากที่วิ่งระยะไกลหลังจากที่ฝึกซ้อมตัวอย่างเขี้ยวกร้มอย่างหนักแล้วก็ผ่านการวิ่งระยะไกล40กิโลแปกิโลร้อกิโลนะบางทีก็กว่าจะวิ่งเสร็จก็เดี้ยงนะ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือมันเกิดความเปลี่ยนแปลงภายใ น, นยมันไม่ใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรงฟื้นตัวเร็วหรืออดทนแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใ จ, ใจิตใจนะเช่นการเป็นคนฮึดสู้นะไม่ไม่ไมแพ้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆหรือว่าบางอย่างที่คนท้อแต่ตัวเองเนี่ย ไม่ยอมท้องง่ายๆแต่ น, นี้มันก็ธรรมดานะเพราะว่าคนเราพอเจอความยากลาบากเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนมันก็ต้องมีใจที่ฮึดสู้เนี่ยถ้าผ่านจุดนั้นมาได้แต่สิ่งที่หลายคนพบว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในคือเป็นคนที่สุกง่ายอยู่ง่ายแต่ก่อนนี่ก็ติดสุกนะอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มนะอยากชอป แต่พอผ่านประสบการณ์การซ้อมการวิ่งมานานๆเนี่ยมันกลายเป็นคนสุขง่ายอยู่ง่ายนะมีความพองพึงพอใจในชีวิตนะอย่างง่ายๆชีวิตไม่ต้องการอะไรมากนะอาจจะเป็นเพราะพบความสุขนะจากการวิ่งคนเราพอมีความสุขจากการวิ่งแล้วหรือความสุขจากการที่ได้เห็นตัวเองในมุมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ พอภูมิใจในตัวเองเนี่ยนะมันก็เป็นความสุขที่ทำให้ไม่ต้องไปพึ่งพาวความสุขจากสิ่งอื่นหรือความสุขจากภายนอกและหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคนที่ผ่านประสบการณ์การวิ่งมามากๆกเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวนะไม่ไม่ขี้อวดนะแล้วก็บ่นน้อยอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของหลายคนที่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนที่ ผ่านการวิ่งมานานๆผ่านการซ้อมมาเยอะๆซึ่งนี่ก็มันเหมือการปฏิบัติธรรมนะเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคนที่สุกง่ายอยู่ง่ายเป็นคนที่มีอัตตาตัวตนเบาบางนะไม่โอ้วนอวดแต่ถ้ายังโอ้วนอวดยังมีตัวตนอยู่นี่ก็แสดงว่ายังปฏิบัติธรรมไม่มากพอหรือว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง แต่ถ้าหาว่าปฏิบัธรรมจริงจังเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติบางส่วนเนี่ยคล้ายกับคนที่ผ่านการวิ่งมานานๆผ่านการฝึกซ้อมเขี่ยวกรมตัวเองมาอย่างหนักนจึงบอกว่าเนี่ยอดไม่ได้ที่จะมองว่าเนี่ยคนการวิ่งเนี่ยระยะทางไกลๆเนี่ยและการซ้อมเขี่ยวกรมตัวเองเนี่ยอยู่สม่ําเสมอเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งน แต่ถ้าดูไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยทุ่มเทยิ่งน้อยกว่านะน้อยกว่านักวิ่งเหล่านี้นะเราเห็นนักวิ่งเหล่านี้โหเขาทุ่มเทมากเนี่ยบางทีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เรียกว่าตัวไม่นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยทุ่มเทสู้คนเหล่านี้ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิยัยเรื่องของของชันทะในการทําความเพียรหรือแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงภายใน วเวลานับปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วเราท้อเราเบือ่อเราไม่ไหวเนี่ยนะบางทีต้องเรียนรู้จากนักวิ่งเหล่าเนี่นะว่าโอ้เนี่ยขนาดนี้เขาไม่ได้ไม่ได้มีศรัทธาในพระรตนาตตายไม่ได้มุ่งนิพพานอย่างเราแต่เขาทุ่มเทนะกับตัวเองอย่างมากเขาสู้กับตัวเองอย่างมากนะในขณะที่เราเนี่ยอ้างว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ว่า เจออุปสรรคนิดหน่อยก็ไม่ไหวไม่ไหวนะแม้กระทั่งเวลาที่จะให้อาการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็น้อยกว่าเขานะพวกนี้เนี่ยวิ่งเนี่ยนะโอ้วันหนึ่งเนี่ยสองสามชั่วโมงนะบางวันก็สี่ห้าชั่วโมงแล้วแถมวิ่งกลางคืนด้วยนะนะอย่างที่ว่าเนี่ยสองทุ่มถึงตีสามเนี่ยมีต้องปฏิบัติธรรมนกี่คนนะที่ทำความเพียรขนาดนั้นนะั่นเะด็กนะจไปแล้วเนี่ย นะเวลาเรานะ ท, ท้อแท้กับการปฏิบัติเนี่ยนะมองไปทางคนเหล่านี้ก็ดีนะจะได้รู้ว่าแม่จะรู้ว่าเนี่ยโอ้ให้เขานี่แม้ว่าจะไม่ได้มุ่งนิพพานนะไม่ได้มุ่งความหลุดพ้นนะหรือไม่ได้มีศรัทธาในสิ่งที่เป็นอุดมคติสูงส่งเนี่ยแต่เขาทุ่มเทนะและพยายามเอาชนะกิเลสตัวเองเนี่ย ยิ่งกว่าเรานักปฏิบัติธรรมซะอีกถ้ามองแบบนี้มาได้ทำให้เกิดกำลังใจแล้วเอาเข้าเป็นครู